จิตใจของพวกเราเป็นเหมือนรถยนต์รถยนต์จะวิ่งไปไหนมาไหนได้ต้องมีน้ํามันรถต้องคอยเติมน้ํามันรถอยู่เรื่อยๆ ร, รถถึงจะสามารถวิ่งไปไหนมาไหนตามที่เราต้องการได้ใจิตใจของพวกเราก็เช่นเดียวกัน จ, จิตใจของพวกเราก็ต้องการน้ํามันที่จะเป็นพลังขับเคลื่อน จ, จิตใจของพวกเราให้ไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราปรารถนากัน จ, จิตใจของพวกเราทุกคนนีปรารถนาอะไรก็ปรารถนาความสุขปรารถนาความหลุดพ้นจากความทุกข์ต่าง ไม่มีใครอยากจะร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันทุกคนอยากจะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญการที่ใจของเราจะไปสู่ความสุขความเจริญได้จึงต้องมีน้ำมันขับเคลื่อนไปเหมือนกับรถยนต์ถ้ารถยนต์น้ำมันหมดเมื่อไหร่ ก็จะไม่สามารถพาผู้โดยสารไปตามสถานที่ต่างๆได้ใจของพวกเราตอนนี้ยังไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปเพราะเราขาดน้ำมันมีน้ำมันแต่มีน้อยไปได้ไม่ไกลไปอยู่ไปวนอยู่แถววงเวียน ไม่ได้ไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการไปกันผู้ที่มีน้ํามันอย่างพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตาสาวกท่านไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราปรารถนากันได้คือท่านได้ไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ไปสู่ความสุข ที่แท้จริงที่ถาวรเพราะท่านมีน้ำมันของใจพาไปน้ำมันของใจคืออะไรก็คือทำห้าประการด้วยกันที่เราเรียกว่าพระห้าคือหนึ่งศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นผู้นำทางเป็นผู้สัง่งผู้สอน ให้เราไปในทางที่จะให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงสองวิริยะความอุตสาหะภาคเพียรความขยันหมั่นเพียรในการที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสามสติคือการระลึกรู้ เพื่อให้ใจตั้งมัน่นไม่ให้ลอยไปลอยมาให้ลเล็กรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งสี่สมาธิคือความสงบนิ่งความสุขที่เกิดจากสมาธิและห้าคือปัญญาความรู้ที่จะมาทำลายเหตุที่พาให้ พวกเรายัางต้องทุก์กันอยู่นี่คือทำห้าประการด้วยกันที่เรียกว่าพะละห้าที่พวกเราต้องมาหมั่นเติมกันอยู่เรื่อยๆเติมให้หมั่นเต็มถังถ้าน้ํามันเต็มถังแล้วเราก็จะสามารถขับใจของเรานี้ให้ไปสู่ มรรคผลนิพพานได้ให้ไปสู่การหลุดพ้นจากกองทุกขแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นสิ่งแรกที่เราควรที่จะมาเติมกันก็คือศรัทธาศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าพระพุทธเจ้านี้มีจริงพระธรรมคำสอนนี้เป็นความจริง พระอริยะสงสาวกก็มีจริงไม่ใช่เป็นสิ่งที่แต่งกันขึ้นมาเหมือนนิยายแต่เป็นสิ่งที่มีจริงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสําหรับจิตใจของผู้ที่ต้องการที่จะหลุดพ้นออกจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดจะต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้น ถึงจะสามารถไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ออกจากโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องมีผู้นําทางไปเพราะตอนนี้ผู้ที่ปฏิบัติผู้ที่อยากจะออกจากกองทุกนี้เป็นเหมือนคนตาบอดคนตาบออนี้ไม่สามารถมองเห็นทางรู้ทาง ที่จะพาให้ตนไปสู่เป้าหมายจุดหมายปลายทางของตนได้ต้องอาศัยคนตาดีคนตาดีก็คือพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายนั่นเองถ้าเราได้เข้าหาพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าเราก็จะมีผู้นาพาเรา ให้ได้เวทลอดออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ให้ได้ไปพบกับความสุขที่ถาวรนความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงมีพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสารุกเท่านั้นที่จะรู้จากทางนี้ที่จะสามารถพาเราไปให้ไปถึงจุดหมายปลายทาง ที่เราต้องการไปได้ดังนั้นเราต้องม่นศึกษาพระธรรมคาสอนอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะในพระธรรมคาสอนนี้จะมีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับคาสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าที่จะทำให้เราเชื่อได้ว่าพระพุทธเจ้านี้มีจริง และคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคำสอนที่มีประโยชน์จริงที่สามารถนำพาสัตว์โลกทั้งหลายให้ออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าเราไม่ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจากที่จากหนังสือจากพระไตรปิฎก หรือศึกษาจากพระ อ, อริยสงฆ์สาวกเราก็จะไม่รู้เรื่องของพระพุทธเจ้าไม่รู้เรื่องของพระธรรมคำสอนไม่รู้เรื่องของพระ อ, อริยสงฆ์สาวกเราก็อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องอเป็นเรื่องที่แต่งกันขึ้นมาเป็นนิยายไม่ใช่เป็นเรื่องจริงแต่ถ้าเราได้ศึกษาแล้วเราก็จะ รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงเพระพรพุทธเจ้ามีจริงเพราะพุทธเจ้าได้ตัสรู้ทางแห่งการหลุดพ้นจากความทุกข์จริงและเป็นผู้นำเอาทางนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราผู้ที่มีศรัทธามีความเชื่อนมนำเอาไปปฏิบัติ ก็สามารถหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้<ม>คือพระอริยสงสาวกทั้งหลาย<ม>แล้วหลังจากที่พระพุทธเจ้าจากพวกเราไปแล้ว<ม>พวกเราก็ยังไม่ได้ปราศจากพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้านี้ท่านตัดไว้ว่าก่อนที่ตอนก่อนที่ท่านจะจากไปว่า พวกเราจะไม่ได้อยู่ปราศจากพระพุทธเจ้าภาษศาสดาเพราะพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงตัดไว้แล้วนี่แหละจะเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าต่อไปผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตนผู้ใดได้ยินได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมคาสอนของเราจะรู้จักเราจะรู้ว่าเราเป็นใคร จะรู้ว่าเราได้ปฏิบัติอย่างไรน่าจะรู้ว่าเราสั่งสอนอย่างไรก็เหมือนกับสมัยที่พระพุทธเจ้าอยู่นั่นเองคําสอนของพระพุทธเจ้าที่มีการบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นไม่ได้เป็นคําสอนของคนใดคนหนึ่งเลยและไม่มีใครเป็นผู้แต่งกันขึ้นมาเป็นความจริงลว้นลวนๆ เนกับสมัยนี้เรามีการบันทึกเสียงของบุคคลต่างๆเป็นเสียงจริงเสียงแท้ถึงแม้เวลาจะผ่านไปกี่สิบปีกี่ร้อยปีก็ตามถ้าเสียงที่บันทึกไว้นี้ยังมีอยู่ก็เหมือนกับเป็นเสียงของคนที่พูดอยู่ขณะในขณะที่มีชีวิตอยู่นั่นการได้ศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า จากหนังสือพระไตรปิฎกกด็ดีหรือจากพระอริยสงสาวกก็ดีเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับได้ฟังทำจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยอันนี้คือสิ่งที่เราควรจะมีความเชื่อความมั่นใจว่าเรายังมีาศาสดามีครูบาอาจารย์ที่จะสั่งสอนให้พวกเราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแน่นอน ตอนนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าในในรูปร่างหน้าตาแต่มีพระพุทธเจ้าในหนังสือพระไตรปิฎกในหนังสือธรรมะต่างๆนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ยังมีพระอริยสงสาวกผู้ที่ได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้ามาแล้วก็ได้บรรลุได้หลุดพ้นจากความทุกข์เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงหลุดพ้นจากความทุกข์ ท่านก็สามารถที่จะสั่งสอนพาพวกเราให้ได้หลุดออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างแน่นอนการฟังเทศฟังธรรมการศึกษาคำสอนหรือการศึกษาประวัติของบุคคลเหล่านี้จะทำให้เรามีความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่า เป็นผู้นำทางของพวกเราอย่างแท้จริงแล้วเราจะไม่เชื่ออะไรถ้าคำสอนของบุคคลอื่นนั้นขัดกับคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พอเรามีความเชื่อแล้วเราก็จะมีกำลังใจขึ้นมาในระดับหนึ่งมีกำลังใจที่จะปฏิบัติที่จะปฏิบัติตามตอนต้นเราต้องบังคับ ใจของเราที่ไม่ค่อยสนใจที่อยากจะเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะใจของเรานี้มีผู้ที่มีอานาจมากกว่าเราคอยดึงให้เราไปสนใจกับเรื่องอื่นคือให้เราไปสนใจกับลาบยศสรรเสริญกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายความสุขจากบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ ความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เรื่อยๆจึงทำให้เราไม่ค่อยได้มีเวลามาศึกษาเพื่อให้เรามีความมั่นใจต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรามีสิ่งที่คอยดึงเราไปทางอื่นก็คือกิเลสตัณหาความโลภความอยากในลาบยศสรรเสริญในความสุขทางตาหูจมูกมิ้นกาย ความสุขที่จะได้รับจากบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นตัวที่ดึงเอาเวลาอันมีค่าของพวกเราให้ห่างออกจากการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ห่างออกจากการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องบังคับตัวเราให้ไปคอยเติมน้ำมัน อย่าขี้เกียจเติมน้ำมันถ้าไม่เติมน้ำมันเดี๋ยวน้ำมันหมดแล้วจะไม่สามารถขับเคลื่อนไปไหนได้ดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องพยายามก็คือคอยบังคับให้เราฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆดังในที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่ากาเลนะธรรมมัศวานังเอตัมมังกาลมุตตังการฟังธรรมตามการตามเวลา เป็นลงคลอย่างยิ่งเพราะว่าจะทำให้เราได้พลังใจนั่นเองได้กำลังใจที่จะพาให้เราได้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราไม่มีกำลังใจเราจะไปไม่ได้เราจะติดอยู่ในวงเวียนแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตาย ตายแล้วก็กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่เราเวียนอยู่ในวงเวียนนี้มาเป็นเวลาอันยาวนานล้วจะเวียนอยู่ในวงเวียนนี้ต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่ดึงตัวเราให้ไปเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราไม่ดึงใจเราให้ไปศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าฟังทำตามการตามเวลา สมัยพุทธกาลนี้ท่านก็มีการแสดงธรรมอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งคือในวันพระเนื่องจากว่าการฟังธรรมในสมัยก่อนนั้นจำเป็นจะต้องมีผู้แสดงธรรมและจำเป็นจะต้องมีเวลาไปฟังธรรมญาติโยมชาวบ้านชาวเมืองคารวะญ า, า, าติโยมนี้มีภารกิจการงาน เลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันจึงไม่สามารถไปฟังธรรมที่วัดได้ทุกวันจะไปได้ก็เฉพาะวันที่ว่างจากภารกิจการงานเช่นวันหยุดทํางานที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกําหนดไว้ให้ญาติโยมได้หยุดภารกิจการงานอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งวันให้มีวันพระกันให้มีวันฟังเทศฟังธรรมกัน เพราะว่าไม่ฉะนั้นแล้วจะไม่มีใครจะไปวัดไปฟังเทศฟังธรรมกันเพราะจะติดพันอยู่กับการหากินหาอยู่หาทรัพยาสมบัติหาความสุขทางลาบยศรเรสรริญทางรูปเสียงกลิ่นลดผลสภากันจนไม่มีเวลาที่จะไปวัดไปฟังเทศฟังธรรมกันพระพุทธเจ้าเลยต้อง กำหนดวันพระขึ้นมาเรียกว่าวันธรรมมัทสวรรณะแปบลบว่าวันฟังธรรมการฟังธรรมตามการตามเวลาในสมัยพุทธกาลก็คือฟังในวันพระกันเพราะต้องมีผู้แสดงธรรมและต้องมีผู้ฟังที่มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆไปฟังญาติโยมก็เลยถือวันพระเป็นวันสำคัญ เป็นวันที่จะได้ไปวัดไปฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดพลังจิตพลังใจขึ้นมาที่จะขับเคลื่อนจิตใจให้ฟันฝ่ากับความทุกข์ความอุอปสรรคปัญหาต่างๆไปได้อย่างสบายแต่สมัยนี้เราโชคดีเรามีสื่อ ต่างๆที่เราสามารถเข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงมีหนังสืออยู่ที่บ้านอ่านเองได้ไม่ต้องไปที่วัดให้พระอ่านให้เราฟังมีซีดีเปิดฟังได้มีสื่อทางอินเทอร์เน็ตที่เราสามารถติดตามธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้า ได้ตลอด24ชั่วโมงดังนั้นถ้าเรามีความเชื่อมั่นความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อว่าการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้จะพาให้เราได้ไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายถ้าเราเข้าหาบ่อยเราก็จะไปได้เร็วเหมือนกับการเติมน้ำมัน ถ้าเราเติมบ่อยเติมมากน้ำมันก็จะเต็มถังเร็วถ้าเราเติมน้อยนานๆเติมสักครั้งหนึ่งน้ำมันก็จะเต็มถังน้อยศรัทธาของพวกเรานี้จะเต็มขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วในสมัยนี้ถ้าเราเหมืนฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆฟังได้ทุกวันเลยเดีย๋ยวนี้อย่างน้อยควรจะฟังวันละหนึ่งชั่วโมง ศึกษาวันละหนึ่งชั่วโมงหาเวลามาฟังเทศน์ฟังธรรมมาอ่านหนังสือธรรมกันไม่ต้องรอให้เอาไม่ต้องรอมาที่สถานที่นี้เพื่อมาฟังธรรมกันเพราะธรรมที่ได้แสดงนี้ได้มีการเผยแพร่ถ่ายทอดสดกันอยู่ทุกวันอยู่ที่ไหนก็สามารถฟังได้นอกจากถ่ายทอดสดแล้วก็ยังมีการเก็บบันทึกเอาไว้ ดูย้อนหลังฟังย้อนหลังได้ตลอดเวลาการฟังทำตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะจะทําให้เกิดศรัทธาเกิดวิริยะขึ้นมาเกิดศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้าเกิดศรัทธาในตัวพระพุทธเจ้าเกิดศรัทธาในตัวของพระอริยสงสาวกว่าเป็นผู้ที่จะพาเราไป สู่การสิ้นสุดของการเวียนว่าตายเกิดได้เป็นสาระเป็นที่พึ่งของเราได้เป็นผู้นำทางนั่นเองคาว่าสาระก็คือเป็นผู้นำทางเพราะตอนนี้เราไม่มีตามองไม่เห็นทางเราต้องให้คนที่มีตาพาเราไปหรือเป็นคนที่สอนให้เราเปิดตาขึ้นมาให้เราเห็นทาง ถ้าเราได้ศึกษาแล้วเราได้ปฏิบัติตามก็ที่พระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงสาวกได้สั่งสอนให้พวกเราปฏิบัติต่อไปเราก็จะมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกทั้งหลายเห็นกันเห็นทางสู่การดุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเห็นทางสู่พระนิพพานนี้เอง จะเห็นได้ก็ต้องเกิดจากการปฏิบัติจะปฏิบัติได้ก็ต้องเกิดจากการมีศรัทธาจากการได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าพอได้ศึกษาแล้วก็จะเกิดศรัทธาอยากจะปฏิบัติตามพอปฏิบัติตามแล้วก็จะได้ผลขึ้นมาตามลำดับดวงตาก็จะเพิ่มมีแสงสว่างเข้ามาที่ ทีลเล็กเทีลน้อยแสงสว่างแห่งธรรมจะปรากฏขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยจนเต็มเต็มในดวงตาต่อไปถ้ามีการศึกษาและมีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องการศึกษาก็ต้องทําควบคู่ไปกับการปฏิบัติศึกษาวันนี้แล้วเราก็ไปปฏิบัติวัววนนี้ได้เลย แล้วพวกนี้เราก็ศึกษาต่อฟังเทศต่อแล้วก็ปฏิบัติต่อฟังไปเรื่อยๆ แ, แล้วจะมีความรู้ปรากฏขึ้นมาให้เรารู้อยู่เรื่อยๆ เ, เพื่อเราจะได้รู้ว่าเรากําลังปฏิบัติที่ไปในทางที่ถูกหรือไม่ที่ถ้าไม่ถูกเราก็จะได้มาแก้ไขมาเปลี่ยนการปฏิบัติของเราให้เหมาะสมให้ถูกต้อง พราะการปฏิบัตินี้ก็มีขั้นในตอนที่เราจะต้องปฏิบัติกันความเพียรคือวิริยะความอุตสาหานี่แหละคือตัวปฏิบัติเนี่ยท่านแสดงไว้ว่าจะหลุดพ้นจากความทุกข์นั้นต้องหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรถ้าไม่มีความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่สามารถ หลุดพ้นได้ถึงแม้ว่าจะได้อ่านหนังสือท่องพระไตรปิฎกหมดทั้งพระไตรปิฎกแต่การได้ศึกษาเพียงอย่างเดียวนี้จะไม่ทําให้เกิดผลที่เราต้องการขึ้นมาได้จะไม่ทําให้เรามีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาได้การจะเห็นมีดวงตาเห็นธรรมนี้ต้องเกิดจากการปฏิบัติต้องเกิดจากการมีความภาคเพียรความขยันหมั่นเพียร ที่จะมาจะหมั่นปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมั่นสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาเพราะนี่คือองค์ประกอบที่จะทำให้ปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมางนั้นเราจึงต้องศึกษากันถ้าไม่ศึกษาเราถ้าเราไปปฏิบัติโดยไม่ศึกษาเราก็จะปฏิบัติแบบผิดผิดถูกถูกปฏิบัติแบบ ไม่ได้ผลเพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องพอไปปฏิบัติมันก็จะไม่ปฏิบัติถูกต้องนั่นเองแต่ถ้าได้ศึกษาวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องจากผู้ที่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบเช่นพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงสาวกเราก็จะสามารถรู้จักวิธีปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบได้ว่าต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะเรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพอเรารู้แล้วทีนี้เราก็ต้องนำออกไปปฏิบัติดูการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าดูการปฏิบัติของพระอริยสงฆ์สาวกเป็นตัวอย่างว่าท่านปฏิบัติอย่างไรถึงเรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของพระอริยบุคคลนั้นท่านปฏิบัติตลอดเวลาคือการเจริญสตินี้ท่านเป็นท่านถือว่าเป็นทำข้อแรกที่ท่านจะต้องเจริญให้ได้และต้องเจริญตลอดเวลาจเจริญตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลานอนหลับนถ้าไม่มีสติแล้วสมาธิจะเกิดขึ้นมาไม่ได้ ถ้าไม่มีสมาธิปัญญาก็ไม่สามารถเอาไปใช้ฆ่ากิเลสได้เพราะไม่มีกาลังสู้กับกิเลสจึงจำเป็นต้องเจริญสติก่อนสตินี้ก็เป็นเหมือนกุญแจรถยนต์นี้เองถ้าเราทำากุญแจหายเราจะไม่สามารถขับรถยนต์ไปไหนได้เราต้องห า, ากุญแจให้เจอพอเราเจอจกุญแจแล้วได้กุญแจแล้วเราก็สามารถ ติดเครื่องขับรถยนต์ไปไหนมาไหนตามที่เราต้องการได้ตอนนี้พวกเราไม่มีกุญแจที่จะติดเครื่องคือใจของพวกเราให้ไปสู่พระนิพพานกันเราจึงต้องมาหากุญแจกันมาสร้างสติกันการจะสร้างสติให้ได้อย่างรวดเร็วนั้นจําเป็นที่จะต้องทําอย่างต่อเนื่องน้าทาอยู่ทุกเวลานาทีของ เวลาตื่นถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้วเราไม่ควบคุมสตินี่กุญแจก็จะหายไปทันทีถ้าเราควบคุมใ จ, จเจริญสติเราก็จะมีกุญแจไว้ขับเคลื่อนไว้สตาร์รถว้สตาร์จิตใจของเราให้วิ่งไปสู่พระนิพพานได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พระสงฆ์องค์เจ้าทุกลุ่มที่มาบวชนั้น ให้มันเจริญสติตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับนี้ให้มีสติกำกับควบคุมใจไม่ปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ใจอยู่กับเรื่องที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันคือเรื่องที่ร่างกายกำลังทำอยู่ร่างกายกำลังทำอะไรก็ให้ใจเฝ้ารู้ดูอยู่กับการทำงานของร่างกายเพียงอย่างเดียว ถ้าไม่ยอมอยู่กับการเคลื่อนไหวการกระทาของร่างกายก็อาจจะต้องใช้คำบริกรรมมาดึงใจให้กลับเข้ามาให้ได้เช่นให้เฝ้าดูร่างกายว่ากำลังทำอะไรอยู่แต่ใจก็ยังหนีไปคิดถึงคนนั้นคนนี้หนีไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยูอ่อย่างนี้ก็ต้อง <c oughs> ใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธดึงเข้ามาให้ได้อย่าปล่อยให้ไปคิด ถ้าเราบริกรรมพุทโธพุทโธควบคู่ไปกับการทำงานของเราใจก็จะไม่สามารถหนีไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ถ้าไม่ไปใจก็จะนิ่งใจก็จะตั้งอยู่ในปัจจุบันแล้วใจก็จะนิ่งสงบได้เต็มร้อยเวลาที่เราว่างจากภารกิจการงานแล้วมานั่งสมาธิต่อ นั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วควบคุมบังคับใจให้เพ่งอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นให้เพ่งดูอยู่กับลมหายใจเข้าออกถ้ามีสติคอยกํากับใจอยู่ตลอดใจจะไม่หนีไปที่อื่นจะเฝ้าดูลมหายใจอย่างต่อเนื่องถ้ามีการดูลมหายใจอย่างต่อเนื่องความสงบก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับ จนสงบอย่างเต็มที่ใจจะรวมเป็นหนึ่งแล้วก็จะปล่อยร่างกายปล่อยลมหายใจไว้ชั่วคราวไม่ไปรับรู้ไม่ไปสนใจใจจะรวมเข้าหาผู้รู้สักแต่ว่ารู้เป็นหนึ่งเป็นอุเบกขาสักสักแต่ว่ารู้ไม่มีรักไม่มีชังไม่มีกลัวไม่มีหลงมีแต่ความสุขที่ยิ่งใหญ่ ที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลกนี้ที่ไม่เคยมีมาก่อนที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นความสุขที่สู้ความสุขที่จะได้จะรับจากการทำใจให้สงบเป็นสมาธิไม่ได้นี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติเนี่ยพระพุทธเจ้าให้ปฏิบัติจเจริญสติตลอดเวลาเดินขึ้นมาก็ให้มีสติสอนพระภิกษุ ให้มีสติระหว่างเวลาไปบิณฑบาตระหว่างเวลาขบฉันระหว่างเวลาทำภารกิจเก็บกวาด ถ, ถูสาราล้างบาทเช็ดบาทเก็บข้าวเก็บของให้มีสติกำกับใจไม่ให้ปล่อยใจไปคิดเรื่องราวต่างๆไม่ให้คุยกันเวลาพระภิกษุทำงานร่วมกันนี้ท่านมักจะไม่คุยกัน ท่านจะคอยมีสติเฝ้าดูงานที่ท่านกำลังทำอยู่เพียงอย่างเดียวหรือถ้าจะพูดจะคุยก็พูดแต่ความเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องพูดต้องคุยเท่านั้นไม่เะนั้นแล้วจะใจจะลอยใจจะไม่ตั้งมั่นสตินี้มีอยู่สองแบบสติที่เรียกว่าสัมมาสติกับสติที่เรียกว่ามิจฉาสติสติที่เป็นมิจฉาสติก็คือ สติที่รู้อยู่กับการทำงานแต่เป็นการทำงานที่ต้องใช้ความคิดต่างๆถ้าเป็นสติแบบนี้จิตจะไม่ตั้งมั่นเพราะจะต้องใช้ความคิดอยู่กับงานเช่นเวลาทำบัญชีทำงานอะไรต่างๆที่ต้องใช้ความคิดนี่ใจก็จะลอยไปกับความคิดไม่ได้ตั้งมั่นอยู่ถ้า ถ้าจะเป็นสัมมาสติต้องเป็นสติแบบที่ไม่ต้องใช้ความคิดทำงานก็ทำงานที่ใช้ความคิดน้อยหรือไม่ต้องใช้เลยเช่นงานที่เราทำตามปกติงานดูแลร่างกายของเราเช่นอาบน้ำอาบท่าล้างหน้าแปงรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารหรืองานที่เกี่ยวกับบ้านช่องเก็บกวาดกวาดถูบ้าน ซักเสื้อผ้างานเหล่านี้ไม่ต้องใช้ความคิดมากเวลาเราทำก็ให้เรามีสติอยู่กับงานนั้นอย่าให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้อย่าให้ไปอดีตอย่าให้ไปอนาคตให้อยู่ปัจจุบันปัจจุบันก็คืองานที่เรากำลังทำอยู่แต่ให้อยู่แบบรู้ไม่ให้อยู่แบบคิดพอคิดแล้วมันจะปะ มันจะไม่นิ่งมันไม่สงบนั่นเองอันนี้คือสัมมาสติสติที่ถูกตั้งนี้ต้องเป็นสติที่ไม่ต้องใช้ความคิดถ้าสติที่ต้องใช้ความคิดนี้มันไม่ได้เป็นสัมมาสติยกเว้นว่าถ้ามันคิดไปในทางปัญญาถึงจะเรียกว่าเป็นสัมมาสติถ้าจะคิดใค้มันคิดไปทางปัญญาเช่นคิดว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยง ทุกอย่างในโลกนี้ไม่ได้เป็นของเราทุกอย่างในโลกนี้มันจะต้องให้ความทุกข์กับเราถ้าเราไปยึดไปติดไปอยากได้มันมาเป็นของเราอยากให้มันเที่ยงมันก็จะทําให้เราทุกข์ได้ถ้าคิดต้องคิดไปในทางปัญญาเช่นคิดว่าการที่เรามาเกิดอยู่อยู่เรื่อยๆนี้ก็เพราะความอยากคือตัณหาสารประการ สามประการด้วยกันคือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาทำให้เราต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่ต้องมาเกิดมาแกไม่ต้องการจะมาเกิดแก่เจ็บตายซ้ำแล้วซ้ำอีกเราก็ต้องหยุดตัณหาความอยากทั้งสามหยุดกามตัณหาความอยากในกามคุณทั้งห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากได้ลาบยศสรรเสริญ และความอยากไม่เสียราบยศสรรเสริญสุขไปนี่คือความอยากที่เราต้องหยุดถ้าเราอยากจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดหยุดความทุกข์ที่ตามมาอยากการมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายถ้าคิดแบบนี้เรียกว่าสมมีสัมมาสติคิดไปในทางปัญญาคิดเพื่อลงับความอยากแล้วใจก็จะสงบได้ใจก็จะเป็นสมาธิได้ แต่ถ้าคิดถึงเรื่องการหาเงินหาทองคิดถึงเรื่องของการา ท, ำทำนู่นทำนีอ่อันนี้ไม่ใช่เป็นสัสมมาสติเป็นมิจฉาสตาิต้องอย่าคิดท่านเช่นนั้นก็อย่าคิดาการที่ไม่คิดการที่จะไม่คิดได้ก็ต้องไม่มีงานทำาการที่จะไม่ต้องทำงานก็คือต้องไม่ใช้เงินนั่นเองไม่ใช้เงินไม่พึ่งเงินทองเป็นเครื่องมือหาความสุข ให้เรามาพึ่งการทำใจให้สงบเป็นเครื่องมือหาความสุขจะดีกว่าดัางนั้นคนที่ไม่ต้องการทำงานก็เลยต้องไปบวชกันเพราะเมื่อไปบวชแล้วก็ไม่ต้องมีงานต้องทำงานที่ทำก็งานเฉพาะกิจงานเฉพาะตัวคืองานเลี้ยงดูตัวเองด้วยการบินบาบ ด, ด้วยการปาดกวาดถู สูสาราทําความสะอาดอะไรต่างๆดูแลร่างกายงานแบบนี้เป็นงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดมากเป็นงานที่เหมาะต่อการจเจริญสัมมาสติพอเป็นงานที่จําเป็นคืองานเลี้ยงดูร่างกายแล้วพอไม่มีภารกิจเหล่านี้ก็ให้ใช้เวลาไปนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมจเจริญสติในขณะที่เดินจงกรมจเจริญสติในขณะที่นั่งสมาธิ ถ้าทำอย่างนี้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับรับรองได้ว่าผลต่างๆจะปรากฏขึ้นมาตามลำดับอย่างแน่นอนพอมีสติแล้วต่อไปเวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้ทันทีนั่งปั๊บเดียวสี่ห้านาทีใจก็นิ่งได้รวมได้เป็นหนึ่งได้สมาธินี้ก็มีสมาธิที่เรียกว่าสัมมาสมาธิ และสมาธิที่เป็นมิจฉาสมาธิสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิคือสมาธิที่ถูกตั้งนั้นเป็นอย่างไรก็เป็นสมาธิที่นิ่งสงบสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขามีสองชนิดด้วยกันชนิดหนึ่งแรกเรียกว่าคณิกะสมาธิชนิดที่สองเรียกว่าอัปปนาสมาธิคณิกะสมาธิก็คือจิตสงบรวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้ได้ เป็นอุเบกขาได้เพียงชั่วคราวแบบงูแลบลินคนนิกะคือว่าหนึ่งคันิหนึ่งขณนะอันนี้เป็นสมาธิสาหรับผู้ที่เริ่มปฏิบัติผู้ที่เริ่มเข้าสมาธิได้ครั้งแรกๆจะเข้าได้เดียวเดียวเข้าไปปุ๊บเดียวแล้วก็จะถอนออกมาสมาธิอย่างนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิแล้วต่อไปถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆมีสติมากขึ้นไปเรื่อยๆ ต่อไปเวลาจิตรวมลงก็จะอยู่ได้นานขึ้นไปตามลำดับจากหนึ่งจากหนึ่งขณะก็จะเป็นห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีสามสิบนาทีจะอยู่ได้นิ่งได้นานขึ้นไปแต่ต้องนิ่งไม่มีอะไรให้รู้ไม่เห็นไม่ให้มีนิมิตอะไรต่างๆเข้ามาให้ปรากฏรับดูถ้ามีนิมิตต่างๆนี้จะไม่เรียกว่าอัปปนาสมาธิไม่เรียกว่าคณิกะสมาธิ จะเรียกว่าอุปจารสมาธิคือเวลาจิตรวมแล้วแทนที่จะนิ่งอยู่เฉยๆจิตออกไปรับรู้นิมิตต่างๆเป็นรับรู้สิ่งต่างๆในโลกทิพย์เช่นร่างทิพย์กายทิพย์ของบุคคลนั้นบุคคลนี้การที่พระพุทธเจ้าติดต่อกับเทวดาได้ติดต่อกับพุทธมารดาได้ก็ต้องอยู่ในอุปจารสมาธินี้ อุปจารสมาธินี้ไม่มีอุเบกขาเหมือนกับอัปปนาสมาธิเนี่ยไม่มีกําลังที่จะหยุดกิเลสตัณหาได้ถ้าอยู่ในอุปจารสมาธิอุปจาระสมาธินี้ไม่มีกําลังสู้กับกิเลสตัณหาถ้าต้องการมีกําลังต้องอย่าออกไปทางอุปจารสมาธิถ้าเรานั่งสมาธิแล้วพอจิตนิ่งแล้วเราออกไป รับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้รับรู้กายทิพย์ต่างๆรับรู้เรื่องของคนที่ตายไปแล้วมาติดต่อมาคุยด้วยมาพบปะถ้เาเราก็ไปคุยไปสนทนากับเขาอย่างนี้อยู่ในอุปจาระสมาธิอุปจาระสมาธินี้จะไม่ไม่ได้มีอุบเบกขาให้กับใจเวลาออกจากสมาธิมาจะไม่มีกําลัง ที่จะเอาปัญญามาฆ่ากิเลสตัณหาได้เพราะนั้นจึงถือว่าเป็นมิจฉาสมาธิถึงแม้ว่าจะเป็นสมาธิที่มหัศจรรย์เพราะเป็นเป็นสมาธิที่ทำให้มีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ต่างๆ่ารู้อดีตรู้อนาคตได้อ่านภารจิตของผู้อื่นได้รละลึกชาติได้อันนี้ต้องเกิดจากการ อยู่ในอุปจารสมาธิติดต่อกับกายทิพย์ได้ติดต่อกับดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงรับไปแล้วได้เป็นสมาธิที่สนุกสนานแต่เป็นสมาธิที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการเอาไปใช้ต่อสู้กับกิเลสตัณหาไม่สนับสนุนการเจริญปัญญาคือวิปัสสนาปัญญาออกจากสมาธินีม้มาแล้วจะไม่มีกำลัง ก, าาก็ไม่มีกำลังไปพิจารณาไตรักไม่มีกำลังไปพิจารณาอาริย ส, สัจสีไม่มีกำลังที่จะไปสู้กับความอยากเวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็ยกถงขาวยอมแพ้ความอยากสั่งให้ไปทำอะไรก็ไปทำตามทันทีอันนี้คืออุปจารสมาธิอย่างพระเทวทัตนี้ก็ได้อุปจารสมาธิมีความสามารถพิเศษ มีเขาเรียกว่ามีมีอภิน ญ, ญาแต่สู้กิเลสไม่ได้พอออกจากสมาธิมาเกิดตันหาความอยากเป็นใหญ่เป็นโตก็เลยไปขออนุญาตจากพระพุทธเจ้าขอให้เป็นผู้ปกครองสูงแทนพระพุทธเจ้าความอยากความมักใหญ่ไฟสูงเพราะคิดว่าตนเองเก่งตนเองมีอภิน ญ, ญาแต่พระพุทธเจ้าเห็นผู้ที่มีอภิญญานี้ เป็นผู้ที่ไม่มีกำลังที่จะสู้กิเลสได้ก็เลยปฏิเสธไปพอปฏิเสธไปก็เกิดความโกรธแค้นขึ้นมาเกิดความโกรธแค้นก็หยุดไม่ได้มีอุ ป, ปจารสมาธิก็หยุดไม่ได้แต่ถ้ามีอัปปนาสมาธินี้หยุดได้พอรู้ว่าโกรธนี้หยุดได้พอรู้ว่าโลภนี้หยุดได้พอรู้ว่าอยากนี้หยุดได้ถ้ามีอุปอัปปนาสมาธิ เทวทัตก็เลยต้องไปทําบาปทํากรรมพยายามฆ่าพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งด้วยกันแต่ไม่สําเร็จนี่ยแต่ก็ทําให้พระบาทของพระพุทธเจ้าห่อเลือดซึ่งถือว่าเป็นอนันตฤยกรรมเป็นกรรมที่หนักที่สุดเนี่ยตายไปก็เลยต้องไปชดใช้กรรมในนรกก่อนแต่เนื่องจากได้มีการสร้างสมบา ร, รมีความคุยงานความดีได้บวชมาได้ปฏิบัติ พระพุทธเจ้าก็ตัดไว้ว่าหลังจากที่ออกจากนรกมาแล้วพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะได้มาบวชไม่ได้มาตัดสรูุเป็นพระปเ จ, จิกับพระพุทธเจ้าต่อไปพอได้สำนึกผิดในตัวเองแล้วเห็นโทษของความอยากปัญหาของตนตอนก่อนที่จะตายก็ไปขอขมาลาโทษถวายกรามให้กับพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องสักการะบูชาพระพุทธเจ้าก็เลยเห็นว่า พระปฏิวัตินี้ได้สำนึกผิดในความในตัณหาความอยากของตนก็จะไม่กระทำอีกต่อไปพอกลับมาเกิดใหม่ก็จะต่อสู้ป่ากิเลส ต, ตัณหาให้หมดไปจากใจได้แล้วก็จะตัดสรูปเป็นพระปฏิจเกพระพุทธเจ้าต่อไปนี่เรื่องของสมาธิที่จะพาให้เราไปในทิศทางที่ผิดได้ถ้าเรานั่งสมาธิแล้วเรามีอภิญญาระวัง มันจะกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสไปมันไม่ได้เป็นเครื่องมือที่จะมาฆ่ากิเลสเครื่องมือที่จะฆ่ากิเลสนี้ต้องเป็นอัปปนาสมาธิหยีดที่นิ่งเฉยเป็นอุเบกขาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเวลากิเลสให้รักก็จะไม่รักกิเลสให้ชังก็จะไม่ชังเวลาออกจากสมาธิมาแล้วก็วจะมีกำลังที่จะมาเจริญปัญญามาพิจารณาไตรลักษณ์ มาพิจารณาอริยสัจสี่เพื่อคอยสอนใจให้ไม่ให้รู้ว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรไม่เป็นทุกข์นีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้สัเพสังขาราอันนี้สัเพ ส, สังขารทุกขานีของทุกอย่างในโลกนี้เป็นสังขารเกิดเป็นของท้าผ ล, ผลิตขึ้นมาจากดินน้ำนมไฟร่างกายของเราก็ทํามาจากดินน้ำนมไฟ ต้นไม้ใบหญ้าก็มาจากดินน้ำนมฝอยข้าวของต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ก็เป็นส่วนของดินน้ำนมฝอยมันไม่เที่ยงไม่ไม่ถาวรมันจะแล้แล้วมันต้องเสริมออมันจะต้องกลับคืนสู่สภาพเดิมไม่ช้าก็แล้ววันใดวันหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่เราต้องพิจารณาหลังจากที่เราได้อัปปนาสมาธิแล้วเวลาอยู่ในอัปปนาสมาธิไม่ใช่เป็นเวลาพิจารณา เป็นเวลารักษาอัปปนาสมาธิให้นิ่งอยู่นานๆให้สงบอยู่นานๆไม่ให้ไปพินิตพิจารณาทางปัญญาให้รอให้ออกจากอัปปนาสมาธิก่อนให้จิตเริ่มคิดปรุงแต่งทีนี้ก็ให้มาคิดในทางปัญญาปัญญานี้ก็มีอยู่สามระดับด้วยกันถ้าเรายังไม่รู้ว่าปัญญาคืออะไรเราก็ต้องไปศึกษาจากผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกก่อน ปัญญาที่เราศึกษาเราเรียกว่าสุตะมะยะปัญญาถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะต้องพิจารณาอะไรเราก็ต้องไปศึกษาจากคนที่รู้คนที่รู้ก็ครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยที่เราศึกษาด้วยว่าการจะเจริญปัญญานี้ต้องเจริญอย่างไรอันนี้ก็เรียกแล้วการไปศึกษาจากผู้อื่นนี้เราก็เรียกว่าสุตะมยะปัญญาเป็นเยอเป็นปัญญาขั้นที่หนึ่ง พอเราได้ศึกษาจากผู้รู้แล้วว่าให้พิจารณาร่างกายพิจารณาตายลักษณ์พิจารณาอริยสัจสี่พิจารณาเวทนาว่าเป็นตายลักษเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาอนิจจงเป็นอย่างไงอนัตตาเป็นอย่างไงทุกขังเป็นอย่างไงอันนี้ถ้าเราไม่รู้เราก็ต้องไปเรียนจากผู้รู้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปเรียนที่อื่นไม่ได้เพราะไม่มีใครรู้เรื่องเรื่องราวเหล่านี้ ไม่มีใครรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีใครรู้เรื่องอริยสัจสีนอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเราจึงต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์ของเรานั้นเองพอเราได้สมาธิแล้วเราก็ต้องมาศึกษาวิถีเจริญปัญญาการศึกษาจากผู้อื่นเราก็เรียกว่าเราได้ปัญญาระดับแรกเรียกว่าสุตตะมยพปัญญา พอได้ยินไปศึกษาจากครูบาอาจารย์ท่านก็สอนว่าให้พิจารณานิจังอันนิจังแปลว่าไม่เที่ยงเช่นพระเจ้าสอนให้เราพิจารณาร่างกายว่าร่างกายของเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ร่างกายนี้เป็นดินน้ำลมไฟเป็นอาการสาวสิบสองไม่มีตัวตนอยู่ในร่างกายอันนี้ทำมาจากดินน้ำลมไฟ ทำมาให้เกิดเป็นอาการ32เช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกลองค้นหาในร่างกายดูสิว่าตัวเราอยู่ตรงไหนคนไปจนวันตายก็จะไม่เจอตัวเราตัวเรามันเป็นตัวเราคิดขึ้นมาเองเท่านั้นเองเป็นความคิดที่เราคิดขึ้นมาความจริงไม่มีความจริงในร่างกายนี้ไม่มีตัวเรามีแต่อาการ32ไม่เชื่อลองไปค้นดูผมนี่เป็นเราหรือเปล่าขนนี่เป็นเราหรือเปล่า เล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นเราหรือเปล่ามันก็เป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเท่านั้นมันจะมาเป็นเราได้อย่างไรเราไปตู่ไปคิดขึ้นมาเองเท่านั้นเองนี่คือวิธีที่เราต้องพิจารณาอ น, นิจจงอนัตตาก็คือไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงมาจากดินน้ำนมไฟมาประกอบกันขึ้นให้เป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลในร่างกายนี้ไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีบุตรธิดาอยู่ในร่างกายอันนี้สามีภรรยาบุตรธิดานี้อยู่ในใจของแต่ละดวงพ่อแม่ก็มีพ่อก็มีใจอยู่ดวงแม่ก็มีใจอยู่ดวงพ่อแม่อยู่ในใจของแต่ละดวงไม่ได้อยู่ในร่างกายของแต่ละร่างกาย ร่างกายนี้เวลาตายไปไม่มีใครตายไปกับร่างกายพ่อแม่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายสามีภรรยาบุตรธิดาไม่ได้ตายไปกับร่างกายยังอยู่เหมือนเดิมอยู่ในใจที่ไม่ตายอยู่ในใจที่ยังถ้ายังมีความหลงก็จะถูกหลอกให้ไปหาร่างกายอันใหม่ให้ไปเกิดใหม่ต่อไปเท่านั้นเองถ้าหายหลงก็จะไม่ไปเกิดใหม่เพราะรู้ว่าการเกิดนี้ไม่ดีเกิดแล้วมันทุกข์ แล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคนที่หายหลงก็คือพระพุทธเจ้าพระอาหลานตสาวกท่านไม่หลงแล้วท่านไม่หลงว่าตัวท่านคือร่างกายท่านก็เลยไม่ไปหาร่างกายอันไหน ม, มาเป็นตัวท่านเพราะท่านรู้ว่าการมีร่างกายนี้มันเป็นทุกข์และท่านรู้สาเหตุที่พาให้ไปมีร่างกายก็คือความอยากนี้เองอยากมีร่างกายอยากใช้ร่างกายหาความสุขต่าง อยากใช้ร่างกายหารูปเสียงกลิ่นรสมาเศษอยากหาใช้ร่างกายหาลาบยศสรรเสริญมามาเป็นสมบัติมาให้ความสุขแต่มันเป็นสมบัติชั่วข้าวที่จะกลายเป็นความทุกข์เวลาที่มีการพัดพากจากกันนี่คือปัญญาที่เราต้องเรียนรู้จากผู้รู้อย่างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พอเราเรียนรู้แล้วเราก็จะได้ปัญญาขั้นที่หนึ่งคือสุตตมยปัญญา พอเราได้ขั้นที่หนึ่งแล้วเราก็ต้องขยับไปสู่ปัญญาขั้นที่สองคือเราต้องหมั่นเอาไปพิจารณาอยู่เนืองเนืองเพราะถ้าเราไม่เอาไปพิจารณาไปคิดเดี๋ยวลืมเดี๋ยวไปทำเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวจะลืมไปหมดฟังเทศน์วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองกลับมามาตอบคำถามเราดูว่าได้ฟังอะไรไปบ้างนี้ จ, จำจาอะไรได้บ้างถ้าไม่เอาไปคิดอยู่เรื่อยเดี๋ยวก็ลืมลืมหมดเดี๋ยวกลับไป ปั๊บเดี๋ยวก็เพื่อนก็ชวนไปกินชวนไปเที่ยว ช, ว น, ชวนไปดื่มชวนไปดูชวนไปฟังเรื่องที่ได้ฟังวันนี้หายไปหมดเพราะมีเรื่องใหม่ๆ ม, มากรบไปหมดถ้าไม่อยากให้เรื่องใหม่มากบเราก็ต้องเอาเรื่องเก่านี้ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆมาคิดอยู่เรื่อยๆนี่เรียกว่าปัญญาขั้นที่สองเรียกว่าจินตามายะปัญญาเราต้องเอาไปพิจารณาอยู่เนืองเ พระพุทธเจ้าสอนว่าให้เราหมั่นพิจารณาอยู่นเนืองว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพลาดจากกันเป็นธรรมดาลวงพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายล่วงพ้นจากการพัดพลาดจากกันไปไม่ได้นี่คือปัญญาขั้นที่สองถ้าไม่คิดเดี๋ยวลืมวันเนี้ยฟังต้องชั่วโมงเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวลืมหมดพอไปคุยกันเรื่องเดี๋ยวจะไปกินที่ไหนดีเดี๋ยวจะไปเที่ยวที่ไหนดีเดี๋ยวจะไปทําอะไรดี เรื่องที่ได้ยินได้ฟังนี้หายไปหมดถ้าไม่อยากหายนี้ต้องเอาไปคิดเนี่ยนักปฏิบัติเนี่ยพระภิกษุเนี่ยถ้าไม่ไปทําภารกิจอย่างอื่นพอหลังจากเสร็จจากการฟังเทศฟังธรรมท่านก็ไปเดินจงกรมต่อเลยเดินจงกรมท่านก็เอาธรรมะที่ได้ยินได้ฟังสดๆร้อนๆนี้มาพิจารณาต่อเลยพิจารณาว่าอนี้ครูบาอาจารย์สอนอะไรเรื่องที่เรายังไม่เคยได้ยินได้ฟังก็เอามาศึกษาเอามาจดเอามาจํา เรื่องที่เราได้ยินได้ฟังแล้วเราลืมมันหรื อ, อยังถ้าไม่ลืมเราก็ไม่ต้องกังวลถ้าเราลืมเราก็ต้องรีบเรียกมันกลับคืนมานี่คือขั้นที่สองของการเจริญปัญญาคือจินตามยภาัญญาคือหมั่นพิจิตรพิจารณาทำต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษามาเพื่อไม่ให้มันหายไปจากใจนั่นเองเพราะว่าถ้ามันหายไปจากใจมันก็เหมือนกับอาวุธที่เรา ต้องพกพาไว้ต่อสู้กับข้าศึกศัตรูถ้าเรารับอาวุธมาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไปวางไว้ที่ไหนลืมพอไปเจอข้าศึกศัตรูก็ถูกเขายิงตายทั้งเพราะปัญญานี่คืออาวุธที่เราจะามาใช้ฆ่ากิเลสถ้าเรารับปัญญามาจากครูบาอาจารย์จากพระพุทธเจ้าแล้วแล้วเราก็เอาไปทิ้งไว้ที่ไหนก็ไม่รู้พอเจ้ากิเลสปัญหาเรียกให้ไปเที่ยวก็ไปกับมันเลยแทนที่จะฆ่ามันก็ไม่ฆ่ามัน เราไม่รู้ว่ามันเป็นศัตรูมันไม่ได้เป็นเพื่อนกิเลสตัณหามันเป็นตัวพาให้เราไปเกิดแก่เจ็บตายเข้าใจไหมแต่มันลืมพอพอฟังเทศฟังธรรมเ็จแล้วไม่เอามาคิดต่อพอกิเลสมาชวนไปเที่ยวก็ไปเลยเพราะคิดว่าเป็นเพื่อนหวังดีไปเที่ยวเลาวสนุกมีความสุขกันแต่ไม่รู้ว่ามันจะพาไปสู่การเกิดแก่เจ็บตายต่อไปแต่ถ้าเอา ปัญญาที่ครูบาอาจารย์สอนมาแล้วให้เอามาพิจารณาอยู่เนืองๆว่าการทําตามความอยากนี้เป็นการนําไปสู่การเกิดแก่เจ็บตายไม่มีวันสิ้นสุดเพราะความอยากโผล่ขึ้นมาปั๊บเราก็จะได้หยุดมันได้ทันทีถ้าเราหยุดมันได้เราก็จะได้ปัญญาขั้นที่สามที่เรียกว่าภาวนาไมยะปัญญาภาวนามยะปัญญาจะเกิดได้ต้องอาศัยปัญญาขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองก่อน ต้องได้ยินได้ฟังก่อนว่าปัญญาคืออะไรแล้วพอได้แล้วก็ต้องมารักษาปัญญาด้วยการด้วยการใช้จินตามยะปัญญาจินตาก็คือจิตไงจินตนาการเนี่ยให้จินตนาการให้เราเล็กถึงคาสอนที่เราได้เรียนมาก่อนว่าตายนักคืออะไรอันนี้จังทุกขังอนัตตาคืออะไรการเวียนว่ายตายเกิดเกิดจากอะไรอันนี้ต้องมาจดมาจามาคิดอยู่เรื่อย พอเวลาเจอข้าศึกศัตรูคือตันหาความอยากที่จะมาหลอกให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดเราก็จะได้หยุดมันได้ทันทีถ้าเรามีอัปปนาสมาธิและเรามีปัญญาเราก็จะสามารถทำให้เราหยุดกิเลส ต, ต่างๆได้ถ้าหยุดกิเลส ต, ต่างๆได้ก็แสดงว่าเรามีภาวนามายะปัญญามีปัญญาและมีภาวนาคือ ส, สมาธิสมถภ า, าวนา สนับสนุนกันปัญญาระดับที่หนึ่งที่สองนี้ไม่ต้องมีสมถาภาวนาเราก็สามารถเจริญได้ปัญญาระดับที่สามนี้จะต้องมีสมถาภาวนาสนับสนุนถึงจะเป็นภาวนาเมายักปัญญาเป็นภาวนาที่หยุดกิเลสตัณหาได้ดับความทุกข์ต่างๆได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้จะต้องเป็นปัญญาขั้นที่สาม ปัญญาขั้นที่สามจะเกิดได้ก็ต้องมีสมถภาวนามีอัปปนาสมาธิและมีสุตมยะยปัญญาสนับสนุนส่งเสริมให้กลายเป็นภาวนามายะยปัญญาต่อไปนี่คือน้ํามันแห่งธรรมที่เราต้องการมาเติมกันเนี่ยคือศรัทธาวริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาเกิดขึ้นจากการฟังเทศฟังธรรมศึกษาธรรมอยู่เรื่อย พอเกิดศรัทธาแล้ววิริยะความอุตสาหะความภาคเพียนที่จะปฏิบัติตามคําสอนก็จะตามมาพอตามมาแล้วก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่ต้องเพียนต้องเจริญคืออะไรเพียนสร้างอะไรก็เพียนสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาสร้างอย่างไรก็ต้องเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ให้เจริญสติตลอด24ชั่วโมงยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นที่ไม่ต้องเจริญ เวลาแต่งขึ้นมานี้ต้องคอยควบคุมใจไม่ให้ลอยไปลอยมาให้ตั้งอยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับเรื่องเดียวที่เรากำลังทำอยู่คือร่างกายร่างกายกำลังเดินกำลังยืนกำลังนั่งกาลังทาอะไรต้องรู้ว่าอยู่กับร่างกายไม่ได้ไปอยู่กับที่นั่นที่นี่คนนั้นคนนี้ให้อยู่ในปัจจุบันถ้ามันจะไปก็ใช้พุทโธเดินมาพุทโธพุทโธไปอย่าให้มันไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ เรืยว่ามีสติพอมีสติเวลานั่งสมาธิจิตก็จะรวมเป็นอัปปนาสมาธิได้พอออกจากอัปปนาสมาธิมาก็เอาปัญญาที่เราได้ไปศึกษาได้รักษานี้มาคอยเตือนใจสอนใจไม่ให้ลืมพอกิเลสโผล่ขึ้นมามะหลายตัณหาโผล่ขึ้นมามะหลายก็หยุดมันได้ทันทีแล้วต่อไปตัณหาทั้งหลายที่เราหยุดมันมันจะไม่กลับมายุ่งกับเราอีกต่อไป มันหมดกำลังมันจะไม่สู้มันสู้เราไม่ได้มันก็จะถอยไปแล้วต่อไปใจเราก็จะไม่มีปัญหาความอยากหลงเหลืออยู่ในใจไม่มีอะไรที่จะดึงให้เราไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปก็แสดงว่าเราได้ขับเคลื่อนจิตใจของเรา<ม>ได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี่คือเรื่องของการมาเติมน้ามันให้แก่ใจเติมพลังจิตพลังใจ ด้วยพระห้าคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาก็ขอให้ท่านพยายามมีความเชื่อมีความศรัทธามีความเพียรที่จะหมั่นเติมน้ํามันเหล่านี้ให้แก่จิตใจของท่านถ้าท่านต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์าะไม่มีใครมาเติมน้ํามันเหล่านี้ให้กับท่านได้ท่านต้องเป็นผู้เติมเองอัตตาหิอัตโนนาโถ ตนต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเพียงแต่ผู้สั่งผู้สอนผู้นําทางแต่เราต้องเดินตามท่านไปท่านไม่สามารถมาอุ้มเราไปได้ถ้าอุ้มท่านก็เหนื่อยคนเป็นแสนเป็นล้านจะไปอุ้มยังไงไหวเรื่องนั้นเราต้องเป็นผู้เป็นผู้พึ่งของตนเองด้วยการพึ่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อคําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วปฏิบัติตามให้ได้ แล้วรับรองได้ว่าเราจะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่พระพุทธและพระอริยะสงสาวกทั้งหลายได้ไปถึงอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมท น, นาให้พอรอยะถาวาเมวาหาปุราปาริปุเรนติสาขรลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิดเปเมวะสมิจตุสาเพบรเนตุสังกปาจันโทปนะหระโสยธามนิโชติหราโสยธาสัพพีติโยวิวาจจันตุสัพโรโควินัสตุ มาเตผวะตวันตาาโยสุขีทีขายุโกผวะอภิวาทานศสิลิตะนิจังวุฒาปจายโนจตารธรมาวาทานติอายุวโนโอสุขังพาลาังอันดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรม ใครมีคำถามก็ถามได้ในช่วงนี้เลยถามไปได้จนถึงเวลาที่เราเลิกแต่พอเลิกแล้วก็ของดขอหยุดถามอยากจะถามก็ถามไปตอนนี้ได้ใครมีคำถามไม่อยากจะเข้ามาถามเองก็เขียนข้อความเข้ามาให้เขาอ่านให้ก็ได้วันนี้ทางเฟซบุ๊กเข้ามาเท่าไหร่วันนี้เฟซ บ, บุ๊กเข้ามาสามร้อยเก้าสิบคน y o u t u หนึ่งร้อยสามคนไลด์ติดตามสามพันสองร้อยห้าสปดคนครับมีคำถามไหมมีคำถามก็อ่านได้เลยค่ะคำถามจาก Facebook Live นะคะกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะถ้าเรานั่งสมาธิกับคอยพิจารณาไตารลักษณ์ในชีวิตประจำวันแต่ไม่ได้ศึกษาพระไตรปิฎก จะมีข้อเสียอย่างไรเจ้าคะขอบพระคุณค่ะจากคุณอุ้ยส้อยสุวรค่ะคือถ้าเรารู้แล้วว่าเราต้องพิจารณาอย่างไรก็ไม่ต้องศึกษาก็ได้แต่ถ้าเรายังไม่พิพจารณาไม่เป็นหรือว่าพิจารณาแล้วยังไม่ได้ผลก็อาจจะต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างทองแท้ก่อนว่าพิจารณาอย่างไรถึงจะพิจารณาแล้วทําให้เกิดผลคือละ กิเลสตันหาดับความทุกข์ต่างๆได้หืูสายสายไมโครโฟนมันอย่าให้มันเงองอแล้วมันทำให้มีเสียงฟีดแบ็กออมาเสียสงโทรศัพท์เออเสียงโทรศัพท์นะใครเปิดโทรศัพท์อยู่ใกล้ๆบริเวณนี้ก็ขอให้ปิดเพราะมันรบกวนสัญญาณเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่ลุดพ้นจากความทุกข์ก็ควรจะศึกษาไปเรื่อยๆ เพราะว่าเราศึกษามาหนเดียวมันลืมแล้วจะไปเข้าใจผิดได้ฉนั้นต้องหมั่นศึกษาบ่อยๆแล้วก็ดูว่าเวลาเราปฏิบัติแล้วทำไมเราไม่ได้ผลก็แสดงว่าเรายังศึกษามาแบบไม่ถ่องแท้ยังไม่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือได้ผลได้บรรลุมากผลนี่ถึงจะเรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ถ้ายังไม่ได้บรรลุ ก, ก็สแสดงว่ายังขาดอะไรอยู่อะไรยังไม่ครบหรือไม่ถูกก็มันฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะได้เสริมสิ่งที่เราขาดแก้สิ่งที่เราผิดได้อย่าฟังเพียงขั้นเดียวศึกษาหนเดียวแล้วเอาไปปฏิบัติอันนี้ไม่ไม่ใช่วิธีแนวทางของการปฏิบัติการปฏิบัตินี้ต้องมีการศึกษาสลับกันไป สี่ห้าวันก็ต้องฟังเทศครูบาอาจารย์เดี๋ยวนี้ฟังได้ทุกวันเปิดเทพธรรม ะ, ะฟังเสียงได้ทุกวันอ่านต่อไปคำถามจากคุณฉเฉลยนะคะกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะขณะที่เราภาวนาพุโทโธเราต้องคิดถึงอะไรอะไรคือตัวพุโทโธคะก็คำว่าพุโทโธให้อยู่คำพุโทโธอย่างเดียวไม่ต้องไปคิดอะไรห้ามคิด ให้พุโทโธพุโทโธพุทโธไปก็จะได้ไม่ไปคิดถึงอะไรทั้งสิน้นตอนทําสมาธินี่เราไม่ต้องการจะคิดอะไรจะคิดก็ต่อเมื่อเราผ่านขั้นสมาธิไปแล้วเข้าสู่ขั้นปัญญาแล้วถึงคิดคิดไปในทางไตรลักษณ์คิดให้เห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราคําถามจากคุณจุราพันธ์คําถามคําถามในนี้ได้ไหมคะ สงสัยเรื่องการเลี้ยงสุนัขถ้าเราไม่อยากฆ่าเห็บแปลว่าเราไม่ควรจะเลี้ยงใช่ไหมคะแทบไม่มีวิธีอื่นที่จะป้องกันเห็บได้ร้อยเปอร์เซ็นรู้สึกอึดอัดค่ะพออยากให้เลี้ยงไว้กันงูกันขโมยแต่เขาก็ไม่ได้ช่วยดูแลเรื่องเห็บสุนัขค่ะขอบพระคุณค่ะก็แล้วแต่เราเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการให้เขามาทําประโยชน์ให้กับเรา เราก็อาจจะต้องทำประโยชน์ให้กับเขาเราทำประโยชน์ให้กับเขาเราอาจจะทำโทษให้กับเราเพราะเราต้องไปทำบาปงั้นก็ต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งจะเอาทั้งสองอย่างไม่ได้ถ้าไม่อยากจะทำบาปก็อย่าไปเลี้ยงอยู่กับงูอยู่กับไรไปมันไม่มากัดเราหรอกนานๆจะเจอมันสักทีไม่ใช่เจอกันทุกวันแล้วถ้าเรามีสติก็งูก็ไม่กัดเราหรอก งูมันกลัวเราจะตายมันไม่ไม่กัดเราที่มันกัดเราเพราะเราไม่มีสติไปเหยียบผางมันนี่มันก็กัดเราถ้าเรามีสติพอเราเห็นมันเราก็ถอยได้็หมดเรื่องปล่อยให้มันไปเดี๋ยวต่างคนก็ต่างไปมันก็อยากจะอยู่อยากจะหากินของมันตามธรรมชาติมันไม่มีเราไม่ได้เป็นอาหารของมันเราไม่ได้เป็นศัตรูของมันมันไม่ตั้งใจจะมากัดเรา คำถามต่อไปนะคะจากคุณฮอลลี่แซงค่ะแกรบเรียนถามจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ใจนั้นปล่อยวางไม่โกรธนิ่งเฉยเมื่อมีลูกค้าร้องเรียนที่ทั้งที่เราได้ทำการช่วยเหลือได้คำปรารถนาดีให้งานของเขาบรรลุเป้าหมายไม่ต้องเสียเวลาในการเตรียมเอกสารและนัดหมายใหม่จากการช่วยนั้นมิได้คาดหวังประโยชน์ใดใด แต่เมื่อภารกิจของลูกค้ารุล่วงแล้วกลับร้องเรียนเรากล่าวหาเราพูดเสียงดังจากเหตุการณ์เช่นนี้ทำให้รู้สึกว่าไม่อยากช่วยเหลือทำเฉพาะหน้าที่ของตนดีกว่ามิทานอกหน้าที่จะได้มิต้องเจ็บตัวความคิดเช่นนี้ถือเป็นมิจฉาทิฏฐิไหมเจ้าคะถ้าเรา ถ้าเราอยากจะทำความดีเราก็ต้องอดทนเราอยากจะได้บุญได้ความสุขใจก็ต้องอดทนต่อคำเคารานินทาว่ากล่าวเพราะบางทีทำแล้วไม่ถูกใจเขาก็ได้แต่ถ้าเราไม่ทำเราก็จะไม่ได้บุญไม่ได้ความเมตตาการช่วยเหลือผู้อื่นนี้เป็นการจเจริญเมตตาบารามีที่จะได้เป็นฐานของการจเจริญทำต่างๆ บารมีต่างๆต่อไปถ้าเราไม่มีเมตตาบารมีเราจ ะ, จะเจริญบารมีอย่างอื่นไม่ได้เฉะนั้นถ้าเราอยากจะมีบารมีสร้างบารมีเราก็ต้องมีความอดทนดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างดูพระเจ้าสิบชาติเป็นตัวอย่างผู้ที่สร้างบารมีต่างๆคำถามต่อไปจากคุณอภิชิตนะคะกลาบนามัสการถามครับ กระผมปฏิบัติมาเป็นระยะเวลาหนึ่งปีกว่าแล้วตอนนี้ภาพกรรมในอดีตที่เคยทํำบาปทาเวรไว้มาปรากฏให้เห็นชัดขึ้นเรื่อยๆเป็นเพราะเหตุใดและควรแก้ไขยอย่างไรครับกลับนมัสการถามครับผมก็ไม่ต้องทําอะไรเพราะมันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วในอดีตมันก็อยู่ในความทรงจําเราวันดีคืนดีมันก็โผล่ขึ้นมาได้ ก็ดีจะมันจะได้เอามาเตือนใจสอนใจว่าเราไม่ควรทำบาปอีกต่อไปพยายามทำความดีไว้แล้วต่อไปมีจะมีแต่เรื่องดีๆโผล่ขึ้นมาให้เรารับรู้คำถามจากคุณดารูปคนที่เสียชีวิตไปแล้วต้องเก็บไว้ไหมเจ้าคะก็แล้วแต่เราเราอยากจะเก็บก็เก็บได้ไม่อยากจะเก็บก็ไม่ต้องเก็บถ้าเป็นคนที่เราลักเราก็มักจะเก็บกัน ถ้าเป็นคนที่เราเกลียดล้วก็มักจะเผาทิ้งไปคำถามต่อไปจากคุณชนะตนชนาการอินซีห้าเหมือนหรือต่างกับพละห้าอย่างไรคะออินซีห้าเหมือนเด็กไงพละห้าเหมือนผู้ใหญ่พวกเรามีอินรีห้าจิตใจเราเหมือนเด็กล้มลุกคุกการสามวันดีสี่วันไข้บางวันก็ทำความดีบางวันก็ ทำความชั่วแล้วแต่อารมณ์เรงยกว่าอินทรีย์ยังไม่มีกําลังที่จะตั้งอยู่แต่ความดีอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นพระละห้าแล้วนี้จะตั้งอยู่แต่ความดีอย่างเดียวความชั่วจะไม่ทําโดยเด็ดขาดจิตของพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้านี้มีพระละหา้าท่านจะทําแต่ความดีอย่างเดียวบาปนี้จะไม่ทําโดยเด็ดขาดกิเลสตัณหาก็จะกําจัดตลอดเวลาแต่ถ้าเป็นอินทรีย์มันก็จะ สามวันดีสี่วันไข่สมวันก็เป็นธรรมสี่วันก็เป็นกิเลสสลับกันไปแล้วแต่อารมณ์เรียกว่าเอนไซม์ C คำถามจากคุณฉเฉลยกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะขณะที่เราภาวนาพุทโธเราต้องคิดถึงอะไรอะไรคือตัวพุทโธคะถามแล้วตอบแล้วคนถามแค่นี้ก็ลืมเลยไหม คำถามจากบนข่าวนะคะสติปัฏฐาน4คืออะไรคะหรือต้องฝึกสมาธิให้สงบ ก, ก่อนแล้วค่อยพิจารณาสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอน3อย่างในการสอนเจริญสติสอนให้นั่งสมาธิแล้วก็สอนให้พิจารณาทางปัญญาเพื่อปล่อยวางร่างกายปล่อยวางเวทนาปล่อยวางอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในจิต ขั้นตอนท่านสอนให้ฝึกสติก่อนให้มีสติแล้วพอมีสติแล้วก็ให้นั่งสมาธิดั่งดูลมหายใจเข้าออกพอนั่งสมาธิได้แล้วมีความสงบมีอัปปนาสมาธิแล้วเวลาออกจากสมาธิมาก็ให้พิจารณาร่างกายเวทนาจิตว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราอย่าไปยึดอย่าไปติดมันปล่อยให้มึนอยู่ตามธรรมชาติของมันไปเราจะได้ไม่ทุกข์กับมัน นี่คือสติปัญญาสี่คำถามจากคุณวันใหม่ร่างกายกับจิตใจแยกจากกันอย่างไรคะแต่ทำไมาเวลาเราป่วยเราจะต้องเจ็บปวดกับร่างกายก็เหมือนเรากับโทรศัพท์มือถือเนี่ยเวลาโทรศัพท์มือถือป่วยเราเจ็บกันเราก็ไม่สบายไปกับมันหรือเปล่เวลาไม่มีมือถือนี่จะตายให้ได้นะต้องรีบไปหามือถือันใหม่ต้องส่งเข้างซ่อมทันที เหมือนกันไหมร่างกายเราเหมือนโทรศัพท์มือถือใจเราเป็นคนเหมือนเราเราไปติดกับร่างกายเหมือนกรเราติดกับโทรศัพท์มือถือพอร่างกายเป็นอะไรเราก็เลยเดือดร้อนไปกับการเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายเพราะอยากจะให้มันหายเร็วๆจะได้เอามาใช้มันต่อพอโทรศัพท์มือถือเสียเราก็เครียดขึ้นมาต้องรีบหารีบส่งเข้าโรงซ่อบ ให้มันหายเร็วๆให้มันเอามาใช้งานต่อได้เนี่ยเรากับร่างใจกับร่างกายก็เหมือนเรากับโทรศัพท์มือถือนี่เองคําถามจากคุณจุธาทิพย์กราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะขณะที่นั่งสมาธินั้นจิตรวมเร็วมากค่ะกายไม่มีลมหายใจไม่มีแต่มีสติรู้ตลอดเวลาขณะนั้นมีแต่ความว่างกปล่าพุทโธ ค, ค่อยๆหายไป อยากถามว่านั่งสมาธิแบบนี้ถูกไหมคะและ้วต้องทําอย่างไรต่อไปคะถูกแล้วให้มันให้มันนิ่งกว่านี้ถ้ายังพุโทโธได้ก็พุโทโธต่อไปจนกว่ามันจะหยุดพุดโทโธเองมันตกลุมตกบ่อแล้วก็นิ่งสงบสบายเบาอกเบาใจหายเครียดหายอะไรหยุ่ก็พยายามใช้ใช้สติประคับประคองให้มันอยู่อย่างนั้นไปนานๆมันจะคิดก็อย่าให้มันคิดมันอยากจะลุกก็อย่าเพื่อให้มันลุก พยาาบังคับมันให้อยู่ไปนานๆแล้วเข้าไปบ่อยๆพอออกมาแล้วก็มาเจริญสติต่อมารักเพื่อให้สติแก่กล้าเพื่อจะได้เข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการพอเราแก่กล้าเข้าสมาธิได้ทุกครั้งแล้วทีนี้เวลาออกมาก็มาหัดเจริญปัญญามาหัดพิจารณาตายรักอนิจจ์ว่าเป็นอย่างไรอนัตตาว่าเป็นอย่างไรทุกขังเป็นอย่างไรอะไรเป็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตา ก็คือกายเวทนาจิตนี่เองที่เป็นอนิจจังทุกขงกังอนัตตาหรือลาบยศสารเสริญและความสุขทางตาหูจบวกลิ้นกายก็เป็นอนิจจังทุกขงกังอนัตตาพิจารณาเพื่อให้เราปล่อยวางเพื่อให้เราไม่มีความอยากกับสิ่งเหล่านี้ให้เราไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะสบายที่เราทุกข์กันเพราะเราไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้นั่นเองคาถามจากอินบอ็อก กราบนะมัสการครับขอเรียนถามว่าเมียผมป่วยมีอะไรกับเมียไม่ได้แต่ไปเที่ยวหญิงขายบริการจะบาปไหมครับถ้าขออนุ ญ, ญาตเมียได้ก็ไปได้ถ้าเมียอนุ ญ, ญาตให้ไปก็โอเคถ้าเมียไม่อนุญาตก็เดี๋ยวเมียลูกจะเสียใจคําถามจากอินบ็อกซ์นะคะขอฝากคําถามค่ะ ฟังธรรมะจากย t u b e ในห้องน้ำบาปหรือไม่คะถือเป็นการลบลูพระองค์ที่ท่านแสดงธรรมหรือไม่ถ้าจิตเราไม่ได้มีเจตนาเช่นนั้นเลยออการฟังธรรมควรจะฟังในที่เหมาะสมจะดีกว่าแล้วก็ควรไม่ควรทำกิจกรรมอย่างอื่นควรจะนั่งเฉยๆถึงจะได้ล ด, ไ ด, ไ, ดได้อัดได้ทำเต็มร้อยถ้าทำไปอาบน้ำไปแต่งเนื้อแต่งตัวไปมันจะสองจิตสองใจใจมันจะวิ่งไปวิ่งมา ฟังแล้วจะไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่ามันไม่ได้ฟังอย่างต่อเนื่องแล้วถ้าคนอื่นเขาเห็นเข้าก็จะเห็นว่าเป็นการลบหลู่ได้ไม่ค่ะไม่ให้มีความเคารพต่อผู้แสดงธรรมหรือต่อธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของสูงของประเสริฐเราไม่ควรที่จะเอาไปอยู่กับเราในห้องน้ําในขณะที่เราขับถ่ายหรืออาบน้ำํำอาถ้าทําทได้ถ้าผู้ตามหลักปฏิบัติทําได้ แต่ถ้าคนอื่นเขาเห็นว่ามันจะไม่สมควรไม่เหมาะสมเขาจะว่าเราพิเรนได้แต่ถ้าเราอยู่คนเดียวไม่มีใครรับรู้ไม่มีใครเห็นนี้ทำยังไงก็ได้ไม่เป็นไรทำได้แต่คนจะทำถ้าจะฟังทำก็ควรจะฟังอย่างเดียวอย่าไปทำอย่างอื่นจะได้ประโยชน์มากกว่าคำถามต่อไปจากคนตัดไม้กราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ครับ การทําความเพียรละอกุศลที่เกิดขึ้นการทํากุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นการภาวนาพุโทโธในชีวิตประจําวันถือเป็นการทํากุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือเปล่าครับใช่การเจริญสติสมาธิปัญญานี้เป็นการเจริญกุศลที่เรายังไม่มีนั่นเองส่วนก็การละอกุศลก็คือละกากุศลที่เรามีอยู่ให้หมดไป เนถ้าเรายังดื่มโุราก็เลิกเสียเล่นการพนันก็เลิกเสียเที่ยวกลางคืนก็เลิกเสียะยังทําบาปอยู่ก็ควรจะเลิกเสียนี่คืออกุศลต่างๆกุศลคือสิ่งที่เรายังไม่มีเราทําบุญทําทานได้มากน้อยเพียงไรทําได้หมดเลยยังเลยยังหวงเงินของทองอยู่ยังอยากเอาเงินไปใช้ไปเที่ยวไปซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าอยู่หรือเปล่ปา ถ้ายังอยากอยู่ก็เอาไปทำบุญให้หมดนะให้เงินเหล่านี้เราจะได้ละอกุศลแล้วเราจะได้บุญไปด้วยในในตัวพร้อมๆกันหมดแล้วนะยัง เ, เหลือประมาณหกเจ็ดนาทีเดี๋ยวรอให้คำถามเข้ามาหรือใครอยากจะถามก็ถามได้ยกมือแล้วจะส่งใหม่ไปให้ น่ขอให้เราพยายามศึกษาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วจะเกิดปัญญาขึ้นมาจะเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องว่าเราต้องทําอะไรกุศลคืออะไรอกุศลคืออะไรเราจะได้ทําความเพียรอย่างถูกต้องการเพียร น, นี่มีอยู่สี่ประการด้วยกันหนึ่งมันมันจเจริญกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นมาสองรักษากุศลที่เรามีแล้วให้อยู่คงต่อไป สามมันละอกุศลที่มีอยู่ในตัวเราให้หมดไป ส, สี่มันป้องกันให้อกุศลที่เราได้ละแล้วอย่ากลับคืนมาอีกนี่คือความเพียรหลักของความเพียรมีอยู่สี่ลักษณะนี้มีคําถามใช่ไหมส่งมาให้ไหนอแับนวสการ์อาจารย์ครับวันนี้ผมฝึกสมาธิอยู่กับอาจารย์แล้วเออ มีช่วงหนึ่งก็คือว่าฝึกไปนานๆแล้วจิตคือฝึกแล้มแต่ว่านั่งไปนา น, านแล้วฝืนความอดทนของตัวเองไม่ได้ครับแล้วกําหนดแต่พุโทโธพุโทโธแต่พุโทโธก็หายไปครับก็เราต้องมาฝึกนอกเวลานั่งด้วยเวลาเราเตื่นขึ้นมาเนี่ก็หัดฝึกพุโทโธพุโทโธไปเราไปพุโทโธมันจะมีกำลังมากขึ้นไปเรื่อยๆ พยายามพุทโธไปทั้งวันเลยถ้าเราไม่ต้องคิดอะไรก็พุทโธพุทโธไปอาบน้าล้างหน้าแปรงฟันก็พุทโธไปกินอาหารก็พุทโธไปทําอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็พุทโธไปอย่าปล่อยให้คิดทํำไมคิดเรื่องอื่นคิดได้ทั้งวันนพอมาให้คิดพุทโธคิดไม่ออกเพราะว่าเราไม่เคยสอนให้มันคิดไปในทางพุทโธปล่อยให้มันคิดในทางที่มันชอบคิดเชานเรื่องกิเลสนี่มันคิดได้ทั้งวันทั้งคืนนะ แต่พอามาคิดพุดโทโธนี่คิดไม่ออกเพราะเราไม่ไม่ไม่ฝึกเหมือนเหมือนคนที่ไม่วิ่งไม่หัดวิ่งก็จะไปวิ่งมาราธอนไม่ได้ต้องหัดวิ่งทุกวันทุกวันแล้วเดี๋ยวต่อไปก็วิ่งมาราธอนได้งั้นพยายามฝึกพุโทโธไว้ก่อนที่เราจะมานั่งถ้ามาเอาแต่ตอนที่เรานั่งมันมีกําลังน้อยพุโทโธได้ไม่กี่คําก็หมดกําลังแล้วอาจยรย์มีคําถามหนึ่งครับพอดีผมัม มีห้องพระอยู่ที่บ้านผมนั่งสมาธินั่งสมาธิได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็จิตก็เผลอไปก็หลับครับหลับไปในห้องพระถือว่าเป็นการลบหลูกก่ครูบาอาจารย์อ๋อไม่หรอกก็เป็นธรรมดามันยังเป็นจิตที่อ่อนอ่อนแออยู่ต้องฝึกจิตให้เข้มแข็งกว่านี้มีสติมากกว่านี้มันฝึกเจริญสติเรื่อยๆ แล้วถ้าอยากจะไม่ให้ง่วงนอนก็ต้องลดการรับประทานอาหารให้น้อยลงไปรับประทานพอประมาณ อ, อย่าไปรับประทานหลังเที่ยงวันแล้วก็ได้จะไม่ง่วงตอนเย็นนั่งสมาธิจะไม่หลับถ้ากินอาหารเย็นแล้วไปนั่งเดี๋ยวก็หลับ เ, ลยยนนะเข้าใจหมครับห้วอร่างหัวแล้นะอ่านได้เข้าลยคุนถามจากเฟซบุ๊กนะคะจากคุณอ้อยทิพย์ ขอโอกาสค่ะมีพระบอกว่าของบูชาที่เส้นไหว้แล้วนั้นสามารถนำมาทำอาหารถวายพระได้มีแม่ชีเป็นคนทำถวายค่ะหนูเลยสงสัยพระสินเยอะกว่าภูมินั้นๆทำไมถึงเอาอาหารที่เส้นไหว้แล้วมาทำอาหารถวายพระได้ขอความรู้ที่ถูกต้องจากพระอาจารย์ค่ะ เ, ออเพราะสิ่งที่เส้นไหว้มันไม่มีงไงเราไปเชื่อ ว, ว่ามันมี เราไปตั้งโต๊ะแล้วก็เอาลูกอะไรหรือคิดว่ามีเทวดงเทวดาหรือใครที่เราเส้นไหวความจริงมันไม่มีหรอกเราสมมติกันขึ้นมานึกกันขึ้นมาว่ามีแล้วเราก็เส้นไหว้ไปเส้นไหวก็เหมือนกันเล่นลิเกไม่ได้ประโยชน์ทั้งคนรับกับคนให้คนเส้นก็ไม่ได้รับอะไรคนรับเส้นก็ไม่มีแต่เพียงความเชื่อเหมือนกับเวลาที่เราไปเอาอาหารไป เขาลบศพที่ที่ที่โรงศพหรือทีุู่มฝังศพเช่นชาวจีนเขาไปาไปตั้งไว้เสร็จแล้วเดี๋ยวพอคนตายกินเสร็จแล้วเขาก็มากินต่ อ, อคนตายไม่ได้กินแม่แต่คําเดียวไม่เชื่อลองก่อนจะเส้นเอาช่างน้ำหนักดูก่อนเลยว่ามันเท่าไหร่กี่ๆๆๆๆกิโลแล้วพอหลังจากเส้นเสร็จแล้วไปช่างน้ำหนักดูว่ามันยังมันหายไปหรือเปล่ า, า, าจะได้รู้ว่า คนที่เราเส้นเขาได้ไปกินหรือเปล่าจะรู้ว่ามีหรือไม่มีเพราะฉะนั้นมันไม่มีหรอกเราไปเชื่อว่ามีเองและการจะเส้นคนตายนี่ไม่ได้เส้นด้วยการเอาของสดๆไปให้กินจะเส้นคนตายต้องต้องทำบุญอุทิศบุญไปคนตายถึงจะได้ได้รับของที่เราเส้นให้เขาเะฉะนั้นอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดเนี่ยแต่ถูกสอนกันมาก็เลยเชื่อกันไป ท, ทําจริงแล้วมันไม่มีอะไร ผ ล, ลไม้เข้าของที่เราไปตั้งไว้มันไม่มีใครแตะไม่มีใครต้องนอกจากมาแมลงวันทนั้นเอง <c oughs> <c oughs> ดังนั้นเอาไปทํากับข้าวใส่บกใส่บาตได้เอาไปเลี้ยงพระเลี้ยงคนจนคนอะไรได้เป็นทานเอาไปเลี้ยงพระแล้ ว, แ ล, วแล้วค่อยเอาเอาอุทิศบุญที่เราทําจากการทําทานนี้ให้กับคนที่ร่วงลับไปแล้วนี่ได้อยู่เส้นเทวดาก็ได้แต่เทวดาเขาไม่มารอรับบุญเนาะเพราะเทวดาเขาเป็นพวกที่มีบุญมากอยู่แล้ว <c oughs> เฉนั้นก็เป็นความเชื่อเท่านั้นเองเนะีย่ยแต่ไม่มันไม่ได้เป็นความจริงเพราะฉะนั้นก็เอามาทําอาหารใส่บาตรได้หรือเอามาไปเลี้ยงไข่ที่ไหนก็ได้เราจะได้บุญขึ้นมาแล้วสามารถอุทิศบุญนั้นให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วได้มีคําถามไหมหรือหมดแล้วอ้าวมีคําถามที่ยืน่นเข้ามาคําถามจากคุณทองเลี่ยมกล่าบนามาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกสาวดื้อ ม, มาก จะทำอย่างไรดีคะส่วนมนุษย์ทิศให้ลูกทุกวันแต่ก็ยังไม่ได้ไม่ดีขึ้นเลยค่ะลูกสาวดื้อแล้วไม่อยากให้ดื้อก็เหมือนลูกสาวเป็นส้มอยากให้เป็นกล้วยเป็นได้ไหมเพราะเป็นเขาเป็นส้มก็ต้องปล่อยให้เขาเป็นส้มไปเขาเป็นจะไปให้เขาเป็นกล้วยได้ยังไงคนดื้อจะมาให้เขาไม่ดื้อได้ยังไงเกาปล่อยคนดื้อไปเดี๋ยวเขาเหนื่อยเขาก็หายดื้อเองคนเราไม่ไม่ดื้อไปตลอดหรอกนี่เราบัญยัตให้เขาไม่ดื้ออะไรมันเป็นไปไม่ได้ ธรรมชาติของคนเราเราเองก็ดื้อไม่ใช่หรอตอนที่เราเป็นเด็กเราก็ดื้อกับพ่อกับแม่ทุกคนเหมือนกันทั้งนั้นแหละแล้วพอโตขึ้นมันก็รู้ผิดถูกดีชั่วมันก็หายดื้อเองนั้นอย่าไปอยากทาให้เขาเป็นอะไรที่เขาไม่เป็นปล่อยเข้าไปเดี๋ยวก็เป็นเองเดี๋ยวก็กลายพันธุ์เขเองเดี๋ยวจากส้มเขากลายเป็นกล้วยเองต่อไปอย่าไปรีบร้อนใจเรามันร้อนคือเคยเคย S <S <an> <S เคยสอนเขาบอกเกาให้ทําอะไรเขาทาหมดตอนเป็นเด็กๆเห็้ไหมเด็กน่ารักไหมอายุหนึ่งสองสามขวบนี่บอกให้ทําอะไรทําได้ทุกอย่างเลยไ ม, ไม่เคยฝืนไม่เคยขัดเลยไม่เคยดื้อเลยแตพอเริ่มโตขึ้นเริ่มโตขึ้นเขาเริ่มเป็นตัวของเขาเองมากขึ้นมากขึ้นความคิดของเขาความสามารถของเขามีมากขึ้นเขาก็อยากจะทําตามความสามารถตามความคิดของเขาดังนั้นเราก็ต้องใจเย็นๆหรืต้องหาอุบายสอนเขาให้เขา เห็นเหตุเห็นผลว่าการทำแบบนี้ไม่ดีนะทำอย่างนี้ไม่ถูกนะเดี๋ยวจะเกิดความเสียหายตามมานะสอนเขาเดี๋ยวก็เห็นคุณเห็นโทษเขาก็จะหายดื้อเองเขาก็จะเชื่อฟังเราเองแต่เราอย่าเอาอำนาจไปบังคับเขาไม่ได้ว่าฉันเป็นแม่เธอต้องเชื่อฉันนี้มันไม่ได้คนเราจะเชื่อกนันให้เชื่อด้วยเหตุด้วยผลพระพุทธเจ้าไม่เคยบังคับให้เราเชื่อ พระพุทธเจ้าบอกเหตุบอกผลให้เราทราบว่านรกเป็นอย่างนี้นะสวรรค์เป็นอย่างนี้นะเลือกเอาจะเอาอย่างไหง เ, เราก็ต้องสอนรูปแบบนี้ทำนี้แล้วจะจะเจ็บตัวนะทำอย่างนี้แล้วจะปลอดภัยนะจะเอาอย่างไหนก็เอาไปคิดเอาเองอันนี้คือวิธีการสำหรับแก้คนที่ดื้อแก้ทำได้เท่านี้คือสอนด้วยเหตุด้วยผลบอกเขาด้วยเหตุด้วยผลส่วนเขาจะเอาหรือไม่เอานี้มันเป็นเรื่องบุญกรรมของเขาแล้วล่ะ เอา้นะมีคําถามพข้มาใย่ไกระดาษเอ า, เอากระดาษเอากระดาษถามมาอย่งเอาสุดท้ายนะคำถามจากบนเขานะคะของที่ถวายสังฆทานพระแล้วแม่ชีนําสังฆทานมาจําหน่ายเอาเงินมาเพื่อเป็นค่านําค่าไฟในวัดได้ไหมคะถ้าพระอนุญาตแล้วก็ได้เพราะว่าบางทเขามันเหลือเฟือเหลือใช้ก็มีอยู่สองทางคือเอาไปทาําทานต่อหรือเอามา มีคนญาติโยงจะมาทำบุญแล้วไม่มีของมาถวายสังฆทานก็เอาของนี่ให้เขาไปแล้วแรกเปลี่ยนเป็นเงินถ้าเอาเงินไปให้ใช้กับประโยชน์กับาศาสนาก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรแต่อย่าเอาเข้ากระเป๋าตัวเองก็แล้วกันเอาแล้วนะวันนี้เวลามันหมดนะก็คิดว่าสมควรแั่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิพพจรารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอเดินทางไปดีมาดีทุกคนนะ